นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัยสมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัยสมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะะหะโตสมัยสมพุทธัสสะสุสังลัตปัญญ ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมทีนาในเทโวโลโหณะสุตตะเกิดท้าเพื่อเป็นเครื่องเสริมอุ่งพติทาบรมีที่บรรดาธนิสราทานบ่นดีทั้งหลายดุพรอมใจกันมาบำเพ็งกุศลโรยจำปักที่วันพระ ขึ้นสิบห้าคำเดียงสิบเอ็ดตรงกับวันออกวันสาในวันนี้ดั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้มีฟานเชื่อมั่นในองค์สมุดไฟจามใจพรมัยศาเซนดาเป็นเหตุจึงดได้ปฏิบัติตามและทำคำสั่งสอนขององค์สมุดพรมาโลกได้เชิดตลอดมา สาหรักอานิสังคุนบุญิราศีในวันนี้ในเบื้องต้นอาตมาจะของนุไว้เพราะว่าเรื่องราวอย่างเทวโรนะสุดนี่สายยาวมากจะขอตัดมาเป็นกรณีพิเศษและในเรื่องราวนี้องค์สมเด็จพระบรมมหาราชยุทธ์ก็ทรงันแดงอานิสงฆ์เข้าไว้แต่รู้ว่าเป็ทบาปทุตมริษัท้ญไลที่สันดาปรับลถพุทธพุทธเทศนาในวันนี้ ก็จัดเป็นบุคคลไว้เป็นสองประเภทเดียวกันอื่นหนึ่งบรรดาเป็นพุทธบุตรศพทุกท่านที่มีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไกรบรมสาวชนดาขั้นปกติมีอยู่ท่างนี้ก็รู้ว่าไอ้บัมพุ่กุศลตามคำแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมครูอื่นหนึ่งทานน้ำใหม่บริจาคทานให้เป็นบุญสองสีน้ำใหม่บริจาคบัมพุ่มสีนัให้เป็นบุญ สามภาวนาใหมา่กันมีการสนบรับรับพระพุทธพรพุทธเจชนาแล้วคิดตามให้เป็นบุญ น, นี่เพประเภทหนึ่งอีละอีระเพศหนึ่งที่บรรดาเป็นพุทธวิสัพที่นั่งอยู่ในที่นี้นอกจากจะมีบุญญาริยาวตัตถุทั้งสามรการแล้วก็ยังมีการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบัณิแก้วจึงกระทันได้มนโนยิปิป ร, ร, รกากฏกฎมีลิทางใจ สำหรับบุคคลสองประเภทมีไซ่ขมรนดาเป็นพุทธบริษัทอย่างหลายเวลาฟางเทศโตดปฏิบัติตามนี้สำหรับพันปกติบุคคลเมื่อสดับประธรรมเทศนาเป็นคําสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระเทสสกุลบรอมัยศาสัญดาเวลาฟังตั้งใจฟังให้เป็นกุศลและส่วนใดที่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระเทสสกุลต้องใช้ปัญญาคิดก็ใช้ปัญญาคิดตามไปด้วย ช่วยเกิดปัญญาญาณแบบนี้เจียวเมียนิสงมากเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าท่านใดที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระองค์สม็ดพระบรมโชคเกษมจงนั่งได้ปัญญาสมาบัติูสา ม, มารถจะจับ ก, กระแสกระแสวัสดุมตรีฐานพระองค์สมุดตัวทรงสวัสดีโสภาคเป็นภาคได้ก้อยใช้จุด้ใช้กำลังขมมโนวิทิ ที่เจรนาตามภาพตามกระแสพระสัธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จตสมมาสัมพุทจเจ้าจะมีผลอต่อไปนี้ไปอาจะมาภาพก็จะแสดงพระธรรมเทศนาตามใจตามพระองค์สมเด็จพระทศกุลทรงมีมาในพระธรรมบทข้าราชกายความมีว่าพระองค์สมเด็จเจอามรัยพระมรรมาสัตร์นิ迦สมมาสัมพุ็จเจ้า ทรงแสดงยมกับปฏิหารที่กรุงพาราณสีในท่านั้นแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบพิษแก้วก็ทรงแสดงในหลวงพระพุทธมารด า, รตดาแต่ว่าพระพุทธมารดามีความจริงอยู่ชั้นดุสิตแต่ว่าองค์สมเด็จพระธรรมอาสามิตรก็ทรงไปประทิดอยู่ที่มณฑกกำพลศิลาอาดเป็นชั้นดาวดิง่งเป็นที่ประทับของราเตวราชาคือพระอินทร์ เป็นว่าในตอนนี้ได้เทศกันมาแล้วเ็นวันเข้าวขันาหลังจากนั้นมาพระองค์สมเด็จโตสมมาสัาสงคุตเจ้าเทโซนสมเด็จประทับ อ, อยู่บนมณุกขพนชีลาอาดแล้วนอกจากพระ อ, อินก็มีพระเจ้วันดาสองท่านมาทำการน้อมสักการองค์สมเด็จพระทอีกแก้วเป็นอันดับแรก <c oughs> เออท่านที่หนึ่งมีนาว่าอินดากาเทพบระวุฒิ มานั่งอยู่ชิดลำบายข้างขวาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและก็ท่านมีสองมีนามว่าอังกุ ร, ระเทพบุตรนั่งอยู่ชิดลำบายข้างซ้ายพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าแต่ได้ว่าขณะที่นั่งอยู่กันระองค์สมเด็จพระบรมครูมีพระพุทธดีกาแต่กระาโกสีสกเทวราชเทวี ว่าการมานี้องค์สมเด็จพระจินทร์ศีต้องการจะสนองคุณพระมารดาเป็นการชาระหนี้ข้าวฟ่างแลน้นมที่พระมารดาได้มีคุณกัพระองค์มาหลายชาติสมเด็จพระบรมโลกสาธิาต้องการจะแสดงพระธรรมเทศนาเป็นการสง่งพระและเป็นการปโปรดขอให้ได้อินไปตามพระมารดาจากชั้นุสิทธิ์มา ตังสุตวาวทาท้าโกศีสกจดีวราชพระ บ, บา ท, ทาเท้าเธอได้รับพระพุทธบัญชายิงได้ไปเชิญพระราชมารดาแต่ความจริงเวลาไปเกิดบนสวรรค์ท่านเป็นผู้ชายมีนาวัยสันติสัเทพบุตรกราบลาเฝ้าองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในตอนนั้นองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเที่มีพระพุทธเากล่า ว, ว่าอัมมะข่าแต่แม่ ว่ามาข้าแต่แม่จ้าโปรดเข้ามาใ ก, กล้เวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจจะสนองคุณความดีขม่มมารดาที่ให้ชีวิตตลอดมาหลายชาติขอได้โปรดสนดับรับรดพุทธโปรดเทระเทศนาอันเป็นการสนองคุณนาตนนัต้งนับปัจนี้ันเรื่องการเทศโปรดพุทธมารดาณีองค์สมเด็จพระจินสีเทศใช้เวลาสามเดือนของมนุษย์ แต่เท่าว่าถ้าผู้ที่ถึสวรรค์ชั้นดาวดิงก็ไม่แน่ใจนักก็จะได้หนึ่งชั่วโมงชั้นนั้นหรือไม่เทว่าชั้นดาวดึงนี้ใช้เวลาหนึ่งรอยปีของคนเราเป็นหนึ่งวันในสวรรค์ชันดาวดิงฉะนม่นยิงมีขอไม่มากสำหรับปีบดานแตว่าเส่วนที่จะนํามาในตอนต้นนี้ก็จะขอพูดถึงอานิสงส์ที่คนทำบุญกุศล เป็นดังนนว่าเมืองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาศสินดาเข้าไปถึงครั้งแรกได้กล่าวแล้วว่ามีเทวดาอยู่สองท่านคืออินดารเทพบระมุกับอังกุระเทพบุตรุเวลาที่เทวดาองค์อื่นมาปราบอังกุระเทพบุตรถอยออกไปทุกทีในที่สุดทั้งเทวดามาประชุมหมดทั้งดาวดิงนี้ก็ปราบกวาทั้งอังกุระเทพบุะมุข ไปนั่งอยู่ท้ายบริษัทไกลที่สุดแต่ว่าอินทกาเทพบุตรนั่งที่เดิมไม่ถอยหลังฉัง <c oughs> นั้นในเวลาที่องค์สมเด็จโตสมัมมาทิพย์เจ้าขึ้งสู่ดาวาดึงในคราวนั้นตอนที่องค์สมเด็จพระพรทธเกลัาทรงทแสดงยงมุขปฏิหารรายกฎก็มีบรรดาประชาชนมากท่านนับจนวนเป็นหลายกตริกัน มาเฝ้าดงาวงสมเด็จเฝ้าคิดตำนานบริสัสดาแสดงยมุขปฏิหารการเมื่อแสดงเสร็จตปรง่งทรงสมเด็จไปสู่สวรรค์เั่นดาวาดึงสกิวโลกเป็นอันว่าใน ก, การนั้นบรรดาประชาชนทุกท่านที่มาต่างกากันว่าท่าวสาเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สเด็จลง ม, มาเมื่อไหร่ บรรดาเขาทั้งหลายก็ไม่ยอมกลับบา้านแม้ว่าจะอดตายหนาตายร้อนตายก็ตามทีจะขอเข้าคอยองค์สมเด็จพระจินารสีบนประสาทสันดาลอยู่ตรงนี้เป็นอ น, นว่าราวันก็ต้องเป็นภาระของพระเจ้าปเสนทิปสนบรมกษัตริย์ลำบากท้าทายก็ต้องมีพระรจับสถานที่พักให้ให้อาหารการบริโภคทุกคน จนกว่าจะถึงวันที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงผดดลกลับกนชชันเมียบรรดายชนสึงบรจาไม่ยอมกลับดังนั้นภาษาลิบุตรที่ไม่มีบัญชาให้พระมหาโมกกาลาก็าไปเข้า อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าจะตัดลงอะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัดว่าตาชาก็จะลงมันออกพรษาคือมันคือวรรณกรรมหนึ่งเดสเก แล้วก็ยังลงที่หน้าประตูเมืองสังกัดธนครเมื่อพระมหาโมคราได้ฟังวุติีกาจากองค์สมเด็จพระจินนวรและจึงมามาประกาศให้คนทราบเพราะนั้นว่าชาว บ, บ้านก็ยังไปชุมกันที่หน้าลานของพระเจ้าวาเสสวัฒิโกโมมศลบรอมกษัตริ์ตอนนั้นองค์สมเด็จพระทรงสงวัตรต้องการแยกคนทั้งหลายทราบว่าการบำเพ็ญ น, นอกเกศวุฒิศาสาศนา กับการบำรุงโดสุสนในเขตพระพุทธศาสนามียในสมต่างกันยังไง อ, องค์สมเด็จไตรจามไตรบริสัทธ์นาจึงได้ทรงแสดงพระพุทธปฏิหารในการพูดกัตถวันดานั้นให้คนทุกคนในมนุษย์ที่คอยอยู่ได้ยินเสียงของ อ, องค์สมเด็จพระบรมครูและเสียงกัถวดาพูดโตอตอบกันแม้แต่การแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนนั้นองค์สมเด็จกดสสมมาสมเด็จเจ้าจะทรงตัดถามอังกุละเทพปรตบว่าอังกุระในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์บำเป็ญกุศลอะไรไว้เวลาที่ะถาคุมาเทีแรกเือนั่งใกล้ที่สุดแต่ว่าเมน่เวลาทุวดาท่างหลายมาพร้อมกันเธอกำลังหลังที่สุดแสดงว่ามีบุญน้อยมากตั้งอังกุระเทระบุเตชั้นดับ พระพุทธดีก า, งง า, พพพพ า, ายการ พ, าพระองค์สมเด็จพระผูพพ้มีพระป่าเจ้าแล้วจึงกราบทูลว่าพันเีพระกวายข้าพรเจ้์สมเด็จพระผู้มีพระป่าเจ้าโเจริญพระพุทธเจ้าค่ะในสมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เวลานั้นเป็นเวลาที่ว่างจากพระพุทธศาสนาพระราชจารู้ทรงศิลสมาธิปัญญาเวลานั้นข้าพระพุทธเจ้าเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ <c oughs> มีเมตตาจิตคิดว่าจะสงเคราะห์คนยากจนคนกำพร้าและคนเดินทางที่ไม่มีอาหารจะบริโภคให้ได้รับบริโภคอาหารให้มีความสุขยิงได้ตั้งโรงทานทึ้นแปดสิบแห่ ง, งคือหนึ่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งหรือว่าสี่ร้อยเส้นตั้งโรงทานหนึ่งแห่งแบบนี้ต้งแปดสิบแห่งด้วยกันเลี้ยงคนกําร้าและคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนไม่อัน้น การให้ทานดยูอย่างนี้สิ้นเวลาสองหมืนปีเพราะคนสมัยนั้นอายุแปดหมืนปีท่านเป็นคนมาบำเพ็ญกุศลตอนภายหลังใกล้จะตายเมื่อบำเพ็ญกุศลอย่างนั้นมาถึงสองหมื่นปีว่าตายจากความเป็นมนุษย์อาลัยสงฆ์ได้ทำความดีให้ทายแก่คนไร้ศีลไร้ธรรมมีบ้างแต่นก็น้อยเกนทีมีความดีมากกว่ามีความดีน้อยกว่าความชั่ว ให้ทานอย่างนี้ถึงสองหมืน 20, ปีได่มีโอกาสไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวบดงสตรีวโลกแต่ก็เป็นทวันดาที่มีบุญ น, น้อยที่สุ ด, ดต้องนั่งหางแถวแล้วองค์สมเด็จพระบพิษแจวจิเนียได้ถามท่านอินทกาที่ประมุว่าอินทกาดายากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้เมื่อเธอถ่ายพุทธมาใหม่ๆเธอก็นั่งตรงนี้ เทว ด, ดาจะมามากมายเท่าไรก็ตามทีเธอไม่จะขยับร่างสี่กายก็สว่างสวยมากอยากจะทราบว่าจะหมายถึงมนุษย์ทำเป็นอะไรไว้อันนี่นากา ร, ทรเทวบุตรได้สนับธรรมดำรัสทุกองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมัยศาสดายังได้กราบทูลว่ากันเตภะโตวาข้าเถรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะ ในสมัยแมื่อขาพระพุทธเจ้าเลยมนุษย์เป็นคนยากจนเขินใจมีดาตายที่ต้องดต่มาเป็นเด็กๆต่อมาเมื่อโตขึ้นก็ได้ตับปืนเลี้ยงมารดาด้วยความกตัญญูรู้คุณแต่มุ่งที่จะบงังเพงวุฒิผลมันก็ไม่มีเช้าไปจัดปืนบ่ายมาขายแล้วก็ซื้อข้าวกราหารตามที่เงินจะได้มาเลี้ยงมารดาให้มีความสุขตามฐานะ แต่เราว่าวันหนึ่งพระกุคกพบพระสงฆ์ในพระพุทธาศาสนามาบิณฑบาตมองเหนอาหารในตัวก็จะมีอยู่บ้างวันนั้นเรียกว่าเหลือกินเหลือกินนิดหน่อยยังได้รับรธนาโดยสองมารับสังฆทานทิบานจัดอาหารตามมีตางเกิดเทา น, นี้แหละพระพุทธเจ้ า, าจมีโอกาสทีจะไหวสงังฆทานเป็นครั้งเดียวแก่พระสงฆ์ในพระพุทธาศาสนา และก็มีความกตัญญูรู้คุณตวินดามันดาก็ใช้เหตุสม ก, การนี้ยิ่งเป็นปัจจัยค่าพระเจ้านี้เวลาตายจากความป็นคนก็มาเกิดเป็นธทวินดาที่มีอนุมภาพมากรองจากท้าวโกศีสิกติวราชนี่ตอนนี้เป็นนว่าทรงสด็จพระบรมโล ก, ก น, นาชทรงแนะนำเพื่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฟังในเวลานั้นว่าการทาบุญและให้ทาน ถ้าเราให้จับบุคคลที่มีความชั่วมากกว่าความดีผลที่จะพึงได้ดีก็เช่นเดียวกับอังโกละเทพประุตตตั้งทางแปดสิบโก็แปดสิบแห่งเลี้ยงทั้กาวันและกลาคืนไม่จำกัดแต่เวลาตายจากความเป็นคนผลงูทา น, นนี้ให้ผลจป็นพิบดดาที่บินมีบนน้อยมากที่สุดถ้ายะเทพประยศทหารก็คงถือว่าเป็นคนาหารชังเลว สำหรับ ก, กินได้กับที่บระบุถวายทานแด่ประสงค์ในพุทธศาสนาด้วยกาลังของสังฆทานเหมือนกับที่บรรดาท่านพุทธบริสุทธิ์แตหลายทำในวันนี้บันเขาเรียกกันว่าสังฆทานทำหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นด้วยเจตนาบริสุทธิ์ก็เป็นนั้นว่าไปเกิดบนสวรรค์ช น, นวันหนึ่งเป็นเทวันดาที่มีอนุภาพมากที่สุดยกพระอินทร์แล้วไม่มีใครมีอนุภาพเหนือท่าน นี่เป็นจุดหนึ่งในเรื่องราวที่เราจะพึงได้จากการสำดับรับรดพุทธพุทธเทศนาในทีโบโรหนสูตรนี่ตอนหนึ่งที่เราจะดึงได้ฟังในเรื่องมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ว่าในสมัยที่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระพุทธมารดากําลังแสดงพัทธมเทสนาพระเวทันที่เจ็จังที ในตอนนี้ก็มีเทวดาท่านหนึ่งมีนามว่าอากาศาจารีเทพบุตร อ, อาไนกาจารีเทพบุตรอาจจะมาชอบเรียสนมาเป็นเทวดาทายกหรือว่าไปพบกับท่านทีไรกรรมจรรยท่านว่าเป็นยังไงเทวดาทายกมีความสุขหรืเอเวลานี้ท่านเป็นตาเรียเจ้าเป็นนั้นว่าในเวลานั้นมาฟังเสด็จองนนสมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าู่หนึ่ง ท่านก็มีความหวงบรรดาเทวดาทั้งหลายตัวเทวดาในอานักเทปอินปกครองมีทั้งหกชั้นเป็นชั้นจาถุมหาราชชั้นดาวเดงชั้นยามาชั้นลุสิตชั้นนิมาละดีพระนิมิตวัสวาตรีฟางเทศรั้งเราคิดว่าเทวดามาพร้อมกันหรือย่างในเมื่อพราไม่ได้เจ้าสมมาโปรธเมื่อไม่แน่ใจก็หอไปสุวิมานต่างๆเพื่การให้เทวดาทราบ ว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมาโปรดถึงเราถึงบรรดุกำพลศีลาอาดขอทุกท่านจงประกายกันไปสันดับรับรู้พุทธพจทธศาสนาขององค์สมเด็จพระเบรมนโลกนาฏเทวดาก็มาปั่นกันแต่ก็มีเทวดาท่านหนึ่งมีนามว่าอังกุล่าอังกุล่เทพบุตรและชทอต้นใ่ สุปฏิทตาเทพบุตรคนนี้ไปจากความชั่วในเมืองมนุษย์มากกว่าความดีเพราะว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ทําไปที่ว่าสินห้าทั้งหมดทําปานาทิบาตแป็นอาชีพจัดว่าเป็นอาชินตะรำสินห้าทั้งหมดเธอละเมิดหมดทุกขอบและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็ไม่เคารพในธรรมใครก็ฟังเทศส่งเสียงกรบ ใครก็บอกคนให้ทานดีนะไม่เห็นแล้วแป้งทําไปไม่เห็นได้ยินแล้วแป้งทำเป็นไม่ได้ยินอันี้สมอันนี้แต่นนถ้าว่าตอนก่อนที่จะตายในเมื่อพุทธเจ้านาครอบงำหนักนะเธอไม่มีที่พึ่งเธอไม่มีที่อาศัยอาศัยองค์พระพุทธเจ้าไกรบริสุทาสนาาดาห์พระพุทธเจ้าอ ง, องค์ก่อนเทศทานหน้าบ้านเสมอแต่มือก็ไม่เคยยกมือไหว แต่พอจะตายขึ้นมาตอ น, นึกถึงพระพระก็เลยรู้ว่าพระพุทธเจ้าใจดีสงเคราะห์ไม่ว่าใครมีตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จโตจอมไตรปรมศาสนาันดาก็จะหายทุกเวทนา<ม>การนึกถึงพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นพุทธานุสติธรรมฐานโดยเรียกเองว่าพุทธังสนนังยชามิขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เพ่งตอนนี้เจตปิจิตเป็นบุญสนก็ตายจากความเป็นคน ไปด้ยวยพรวเจดาบรนสวรรค์ช่นดาวดินสติวโลกมีมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารโดยอํานาจพุท ธ, ธาในพรติกมฐานมีอานสงสมากแต่ด้ว่าเวลาลี้องสมเด็จพระพุทธมีพระพาา่าจ้าปรเทศโปรดเธอไม่มาฟังพระเพลินใเสียงเพลินในที่ประสมบัติแต่เรียกว่าเวลานั้นใกล้จะถึงเวลาจุดติมเมื่อองวกาเมื่อ เมื่อท่านากายเ จ, จริญเทวดาเห็นเข้าเห็นนิมานเศร้ามองตามธรรมดาตัวใดจะจุติหนึ่งหมดบุญสองหมดอาหารเข้ามาหมดอาหารมาได้ผลขอาทานที้ให้ไปหมดสามเครื่องพิษเศร้ามองได้ก็สี่นิมานเศร้ามองกเครื่องพิษหมายาเครื่องประดับกายได้ก็ห้าเือรลายจะรักแร ถ้ามอาการอย่างนี้แสดงว่าทีวันดาวนั้นจะต้องจุติภายในเจ็ดวันเมื่อท่านาจารย์ปจารีเทพบหตรทราบอย่านั้นจึงถามว่าใครเป็นเจ้าของอิมานีท่านยันตายภายในเจ็ดวันแล้วเวลานิองค์สมเด็จพระบพิธเจ้ามาโปรดทําไมไม่สังเทกต่อบบนบารมีเมื่อังเมื่อท่านสุปฏิทาเทพบุตรฟังอันนี้ก็มองดูตัวรู้สาตัวว่าจะตาย คือวลาจะตายจะรู้ตัวตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเพราะอารมณ์เป็นทิ่จะห้ามไม่ได้ยิงไม่ทาว่าถ้าหมดบุญจากเทวดาก็จะต้องลงอเวจีหารกสิ้นหนึ่งกับการกำลังของผลที่ตั้งปานปธิบัติและจะต้องผ่านโลภะมารกบริวารสีบขุมแล้วถ้มาผ่านยมมากรา ก, กยุนละนั้นยานรกอีกสิบขุม มาเป็นเปรตอีกสิบสองระดับนับเอาสุภกายมาเป็นสติฉานสติฉันนับไม่ได้เป็นตัวแบบแต่ว่าที่เป็นกรณีพิเศษก็คุหนึ่งว่าจะต้องมาเกิดเป็นสุนับบาห้าร้อยชาติก็อาศัยที่มีความเมาเป็นสำคัญเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นกาห้าร้อยชาติผมกรรมนั้นผ่านไปโดยเศษน้อยก็มาเกิดเป็นคุณบ่าห้าร้อยชาติเพราะโทษสุปาโทษโทษสุรามีไร แล้ว ก, ก็เป็นคนงน่อยห้ารอยชาติก็ผลขอป่านาในื่อนหูหลกห้าร้อยชาติก็ส่งเสียงกดในธรรมเขาบอกตนธรรมะได้ยินแล้วแกล้งทําเป็นไม่ได้ยนินแล้วก็เป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติที่เห็นเขาลองเป็นมุสลแล้วแกล้งทําเป็นไม่เห็นเมื่อทราบว่าตนจะมีทุกอย่างนี้จึงบอกพระนากาชจารีว่าช่วยฉันด้วยเถิดฉันแย่แล้ว แต่ว่าบรรดากรผู้จารีเทวคุบอกว่าฉันก็ท่านเป็นเทวดาเหมือนกันถ้าหากว่าท่าช่วยแกได้ฉันก็ช่วยตัวฉันได้ฉันช่วยไม่ได้คนที่ช่วยได้ก็น่าควจะเป็นเทวินก็พายกันไปหาเทวินเทวินก็บอกว่าแกก็เทวดาฉันก็เทวดาฉันช่วยไม่ได้ถ้ามีช่วยจะได้ก็น่าเป็นตัวจะเป็นองสมิตไปจรมไตรบรมิารชันดา เป็นนั้นว่าถ้าายกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาวัตถวดาองค์นี้ถ้าเราเทศอนิธรรมจะเหมาะสมกับใจหรือไม่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าเทศอนิธรรมไม่ถูกกับปฏิยาใสจะต้องเทิดอุณิเติชัยสุรเป็นที่เหมาะสมกับปฏิยาใสเมทศจบเธอจะเป็นบระโภดาบบัน แล้วองสมเด็จพระพรุทะวันมรรมาสาวเสนาสัมมาทิฏฐิเจ้าจิเนยุทธเจ้าเทศอวิธรรมกิจดกใกล้รบเอาอยู่หนึ่งจุลชัยสูตรมาเทศจบเป็นที่ถูกใจเจ้าสุปฏิชิตาเทพมุรเมื่อฟังเทศจบได้พวกท่านก็ได้เป็นรโสดาบันเป็นนั้นว่ารโสดาบันย่อมปิดกั้นอบายภูมินาศิเหตุการณ์ที่ต้องเกิดเป็นส <Yes. S 2> <upbringing. S 1> ัมฤทธิ์ไม่มี เป็นเปรทไม่มีแปอสุรกายก็ไม่มีเป็นสัจจิฉายก็ไม่มีเพระบุญบโสดาบันนี้ยันเขไว้เพราะฉะนั้นว่าเมื่อทั้งสุปฏิิตาที่บุตรังเทศจบพอถึงเวลาจบติพอดีจติจาเทวดาแล้วเกิดเป็นเทวดาทันทีรู้ปัญเพียงแล้วบางสมเด็ดสินาสีก็สุปฏิิตาที่พรพทนั้น จะนั่นงบนสมุตติพิตาเทพบุตรเวลานี้จึงในอยังอยู่บนสวรรค์ฉันดาวดิลกะทิวโลกเป็นพระเดชเจ้าอลาบันดา ญ, ญาโยมพุทธมรีสกันหลายเทปวันนี้แค่จบเรื่องราวของเอโมรังธโรนสุด น, นี้ตัดทลายมันก็ไม่พอเพราะว่าเทปต่อในวันพรุ่งนี้อ เ, เวลานี้หมดเวลาเช้นแล้วต่อที่นี้ไปอลาบรรดาสาวก อ, อ, องสมเด็จพระบัณฑิตแก้ว เมื่อได้เสด็จรับรับบตพุทธพุทธเทศนาทั้งว่ามานิดหน่อยก็ยังมีอพอสมควรว่าการบำเพ็ญวุฒิในเขตพุทธศาสนาที่กล่าวว่าเป็นสังทานเมียนิสงฆ์มากตาลีองสม็จพระพุทธมีพระพายเจ้ า, จากล่าวว่าคุณถวายสังทานครั้งเดียวตายไปกี่ชาติก็หาความยากจนขินใจไม่ได้แม้จะเข้านิพพานแล้วยังไม่หมดนิสง์ เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็มีตั้งใจต่างร้องในองค์สมเด็จพระพุทธองค์ปฏิบัติในบุญิกิีญาในวัตถุเป็นสามราการเป็นหนึ่งทานใหม่การถวายสนทานมีแล้วในการรู้สองความครวะรงสมเด็จพระบดีแก้วคือศีธรรมใหม่รักษาสิ้นแล้วก็มีแล้วเช่นเดียวกันในการริษานบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพอใจในการฟังธรรมและปฏิบัติตำ เพราะนั้นว่าบุญกิริยาวัตถุตนสามรายการนี้เมียในสงศ์ใหญ่บรรดาทั้งบริษัททั้งหลายทำแล้วครบตัวก็ขอบรรดาท่านอังหลายจงยามีความระหมัดจงรักษาความดีนีไว้เป็นปกติเสมอมานี่ก็ว่าจงใหญความดีนี้คาดจากกิตุท่านมีกว่าจะถึงวันตายทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมิศาสนาสมมาทั้งหมดเจ้าสี่องค์พระองค์ทรงบรรลุแล้วคนดี หรือพะหลนั่หลายบรรุแลว้วคนดีธรรดาทั้งพุทธมรรติัตย์น้อยสงความดีทั้งสามเดการนีไว้ก่อนที่จะตายท่าน่งหลายคงคนจะเข้าถึงนางธรรมนั้นต่างความประสงค์ของสมเด็จตัสัมมาสมเด็จเจ้าอบรดาทนพุทธมรติัย์น้อยจะมาแสดงวัฏรมเทศตสนามาเลยสามวัทีไปสองนาทีก็เขายุติวัฏฐมทิสนาลงคงไว้ในทิณทนัี ในลิสุตจามตธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอตั้งสติญาติขาหนังคุณประสีรัตนาไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามราการขอจงดลบรรดาลบรรดาเป็นพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลโด้จงยกระดกไปด้วยจากหลวงพิตรพรชัยทั้งสี่ระการ เมื่อยุบันไดสุขะพระละระบริทานหากักพระองค์สมเด็จพรสัมมาพุฒิเจ้าทรงรู้ทำใดแล้วเพราะบรรดาพระพุทธบริษัทที่มีความเคารพในองค์สมเด็จตระกูลแก้วจงรู้ทำนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถิดเอวันก็มีดุลกการแลนชี